ท่านก็อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายใน ต, ตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเมืองชีวิตในโลกหรือโลกถุงดำเป็นดวงดาวถุงดำกันต่อไปก็ขอท่านผู้อ่านก็ดีท่านบูฟังอดีอย่าลืมว่าเป็นนิทานแต่ว่านิทานพระพูดแล้วก็มีธรรมะธรรมโอเพิ่มขึ้นหน้าดำคางผสมยิ่ด้วยเป็นของธรรมดา ก็วสถานีวิทยุก็ถือว่าวันนี้เป็น ว, วัและบรรดาการธรรมะก็ะว่าจะเรื่อยๆไปเป็นธรรมบ้างไม่ได้อะไรบ้างก็าตามเรื่องพิธีธรรเลยบ้างไปธรรมะไปบ้างแต่ว่าตอนท้ายๆนี่ธรรมะจะแน่นอนหน่อยเพราะเรื่องของโลกนี้มันหมด <c oughs> ถ้าคุยกันไปก็มีกระเทาะซ้ำๆเรื่องของคนแต่ก็มีจุดจๆหนึ่งเป็นของที่โลกเราก็มีนั่นคือเรือนกระจ ในน้ำในมหาสมุทรเขาก็มีทางลงจากบกก็เหมือนกับอมองรถลดอดอมองจากนี่เป็น่นนั่นแหละมันก็ที่ฮ่องกงแ ล, ลง้วลอดเจอย่งหนึ่งไปฟังหนึ่งลาดหมาสมุดไปลงไปในน้ำไปถึงเรียงกับจุดแล้วก็กจุดก็สวยสวยก็ามมากมีไฟฟ้าสว่างมีแสงสว่างมากมีเครื่องยิงเครื่องยิงให้ปลา คือไม่ใช่ยิงปลาเครื่องยิงอาหารให้ปลาไปชมปลาต่างๆมีความสวยสดงามสีหลากหลายกันปลากับคนนี่ไม่เป็นศัตรู ก, กันเพราะคนไม่กินปลาปลาก็เลยไม่กลัวคนจะมีสถานที่รางจุดให้คนอย อ, อกปไปว่ายน้ำเล่นก็มีเครื่องเรรดานาน้ำสนับห้ใจได้เพราะมันใต้สนลึกของมหาสมุด ก็มีเครื่องยิงยืงพุ่ไปเหมือนกับฐานเรือยิงตอร์ปิโดแต่ว่ายิงเปแล้วคล้ายกลับก็เข้ามาถึงจุดที่ยัยเข้าก็โดดเข้ามาอันนี้เป็นของไม่ยากโลกนี้ก็ทําได้โลกน้ก็ทําได้แต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือคนพูดไม่เคยลงเลงก็จบในโลกนี้แต่ก็เป็นลงลงเลงก็จบในโลกอื่นในโลกนั้นเลงกระจบ ก, ก็เขามีมากจากเครือนนี้แล้วถ้าอย่าไปเรือนน้อยก็มีโมไป เป็นทางไปก็มียานขับเคลนพานะเป็นรถย่อมๆเป็นรถระดีวิ่งไปได้แล้วไปถึงเรือนน้นก็ถึงเรือนน้นเรือาหางการบริโภคมาจากห้องเขามีพร้อมเลื่ออากาศให้ใจเขาก็ดีไม่มีอะไรถ้าไปมีเงินกระจกก็ไม่จังคมใช้ใช้ก๊าซใช้นาทิกาใช้มีออกซิเยจนไม่มีอะไรเท่านั้นเดินบบสบายสบายสบายสุดเลน แค่พัฒ น, นาความสวยสวยดสวยงามดีไม่ดีก็ปลาในโลกสมุรเราอาจจ้วจสวยกว่าเพราะว่าไม่ก็ไม่รู้จักปลาทุกประเภทข <c oughs> ้าจะถามว่าเห็นปลาทำอันตรายกันไหมก็ตอบว่าเห็นเพราะปลาปลาไม่มีพระเทพสอนให้ปลาไม่ทําอันตรายกันก็มีปลาทำปลาอันตรายกันก็มีเห็นบ้างแต่ก็ไม่มากนักเส้นใหญ่ก็เป็นปลามาล้อมรอบเรียงกระจกรับอาหาร คนรีบไปทุกคนต่างคนต่างเขาซื้ออาหารให้กับปลาใส่เครื่องยืงยิงไปแล้วเครื่องอาหารก็พุ่งออกไปก็ใจาออกปล า, ลาก็ยิง่งจริงตามระเบียบของปลาการกระจกนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทอาก็บอกว่าเรือนกระจกจะมีมากมายังเห็นมีทางต่อไปเขาบอกว่ามีมากเพาเมืองในมาหาสมุทรที่เขาได้เปรียกเขาไม่เก็บค่าผ่านประตูเข้ามาชมเรืองกระจก ค่าภานะที่จะมาส่งให้เขาก็ไม่เก็บแต่ว่าเขาขายอาหารที่หายให้กับปลาที่ซื้ อ, อเองคนจะเลี้ยงปลาเขาซื้ออาหารจัดเขาแต่อาหารที่ซื้อก็รู้สึกว่ไม่แพงถ้าเทียบกับโลกเราแล้วมันต่างกันเยอะราคาของก็ถูกมากถ้าความเป็นอยู่ก็ดีรัฐบาลเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บภาษีให้มากเพราะบรรดาข้าราชการทั้งหมดข้าราชการเขาก็มีไม่มาก อย่างของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจอย่างเดียวเข้าคนไปเป็นแสนแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพื่อบุคคลสูงใช้เพราะกานเดินจะเป็นเลี้ยงก็ยังแถมค่าพานะค่าโรงแรมค่าห้องพักอีก น, น, นอกจากนั้นเคื่องวัตธถธุทบตวกเขาต้องมาก็กต้องจ่ายสตางค์แล้วก็ยานพานะก็ต้องใช้ก็ใช้เยอะของเขาก็มียานพานะเหมือนกัน แลววาณบานั่งเขาไม่เปลืองตะกันกเขาเขาเขาเขาไม่ได้ใช้น้ํามันเขาใช้แรงสีเขาว่แรกจะถามว่านแร่อะไรเพราะว่าไม่ได้บอกว่าจะถามมาเลยสักเพราะ็นว่าโลกเราใช้อยู่เรเนียนเป็นกำลังขับเครื่องนัอยู่แล้วเขาอาจจะมีมันเราเราอ า, าจจะมีเมืันเขาก็ได้ต้องถามมาเลยสักถามว่าจุดนี่จุดหนึ่งเป็นทีงที่หน้าเที่ยวหลังจากนั้นก็กลับ เมื่อกลับขึ้นมาบนบกแล้วก็อ่ก็ชวนคนพาเจ้าของถิ่นไมอยากจะขึ้นบรบกอีกฝั่งมหาสมุทรไงเออบอกว่าเมืองเกาะนํามีมากจะไปแวะเมืองกเกาะอือน่ออนๆไหมก็เลยบอกว่ามันมีสภาพแตกต่างกันไหมเขาบอว่าแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้ามันเหมือนกันแล้วก็ไม่ไปดูดีกว่า จะดูแลก็ไม่ทราบว่าจะนำอะไรไปได้ของใส่ขึ้นหนึ่งที่มาที่นี่ก็ไม่มีโอกาสจะนําไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะก็เหมือนพระที่สังเษฐ์ฐานทําไมพระที่จะมาเทศก็เหมือนกันคนก็มีศรัทธาก็ฟังเทศแล้วก็ถวายอย่างน้นถวายอย่างนี้แต่เวลาพระจะจาไปก็บอกซัด ส, บสมบัติที่เกิดขึ้ที่ดีไหนให้อยู่ที่นั่น นั่นก็หมายความว่าท่านมอบไว้กเจ้าหน้าที่เจ้าของวัดเจ้าของสถานที่พระศาสนาแล้พระบรรดาเอเ จ, จ้า ข, ของสถานาีก็ทําการจัดสร้างมาจัดของหาซื้อของใช้ต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆนานาก็โรงความมันมีทุกอย่างเท่าที่จะเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วที่เห็นเมื่อกีน้นี้ก็เพราะว่าเงินที่เหลือจากพระท่านเทศพระท่านเทศแล้วท่านก็มันนาไป ก็เลยบอกกับเขาว่าการที่ไม่นำไปของพระท่านท่านจเจ้าอาวาอาจจะไม่นำไปเพราะจิตเม่ตาก็ได้แต่ท่านไม่สะสมทรัพย์สินเท่านี้ไม่มีความจำเป็นในทรัพย์สินก็ได้แต่สำหัับข้าพเจ้าที่ไม่นำไปก็เพราะแบ่งไปไม่ได้เครื่องที่ยววัตถุนิดรหนึ่งก็ไม่สา ม, มารถจะแบ่งไปได้เขาถามว่าถ้าอย่งงางนั้นมาที่นี่อยากได้อะไรบ้าง เกยเจ้าเขาตรงไปตรงมาบอกว่าการมาที่นี่ไม่ใชอยากได้อยากรู้อย่างเดียวมีความอยากเหมืกันอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าไอ้ผงดํานากระที่นักเรียนใสก็มองเห็นว่ามันคืออะไระไกันแน่เขาเลยอนถามว่าท่านเข้าใจผงดำนไหรอย่างก็บอกว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าไปในอุ้งของผงดํามาแล้วเก็เลยถามว่าท่านไปในอุ้งของผงดําไปท้องผงดํา ก็ เ, เห็นอะไรบ้างก็อบอกว่าเราบินก็เห็นกยานภาณะที่มีลักษณะกลมๆอย่างของท่านมีก็เห็นแล้วก็ดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้าไปก็เห็นเขาก็ถามว่าดวงดาวต่างๆมันมีลักษณะแตกต่างกันไหมออก็ว่าดวงดาวลักษณะที่เข้าไปมัน ค, คล้ายคลึงกันก็มีมีลักษณะแตกต่างก็มีดวงดาวบางดวงดาวก็มีขุมทรัพย์ดวงหลังดวงดาวนั้นมันผิวโลก ถามก็ว่าที่นั่น เ, นเคยไปไหมเขากบอกว่าถ้าบินรอบโลกนั่งเครื่องบินก็ต้องผ่านจุดนั้นถ้าบอกบินรอบจากโสมไปต่ำํำ <c oughs> ถ้าบินรอบเข้างเขาไม่ต้องผ่านก็ถือว่าที่นั่นเป็นสถานที่เที่ยวของคนโลกนี้โอ้โหน่าสะใ จ, จก็ถามว่าเคยทัาบถึงไหมเขาบอกเคยเห็น ท่านก็บอกว่าทองคำไอ้ไอ้ท่าชี้เรื่องเหลืองอารามที่นี่เราใช้ไหมเขาก็บอกว่าใช่แต่ว่าท่านไปที่นั่นไม่อยากได้ทองคําที่นั่นมาแล้วก็มีโลกหนโลกหนึ่งอาจจะมีหลายโลกก็ได้เพรปะไปขึ้นไปที่โลกต่างๆเพียงแค่สามโลกในนั้นเท่าที่ฟงเห็นแล้วมันเกินสามร้อยโลก อยากจะถามว่าจะอยากได้ทองคําไหมเขาบอกก็ไม่เคยอยากได้เพราะว่าพื้นดิบพจน์นี้ก็มีเยอะแล้วามก็กว่าเพชรพื้นดิบพจน์เนี้ยทองคํามีเป็นวัตถุมีค่าสูงหรือ ว, ว่าทองคําในวัตถุมีค่าต่ําขาบอกขึ้นชื่วาทองคําโลกชมพูต้องกลายขนาดไหนไม่ทําให้ทราบแต่ที่นี่ถือเป็นมาตรฐานการเงิน กาเงินต่างๆแบงก์ต่างๆที่เพิ่มมาต้องมีทองคํารับรองก็เลอบว่าใชาอย่างนั้นโลกนู้นก็โลกนี้ก็มีสภาพเหมือนกันกกิดลุ้นกับป่าวิลิต์ถามว่าที่นี่นะคนจนๆมีไหมก็ถามว่าคําว่าจนมีหมายที่ยังไงก็ตอบว่าจนขนาดที่ไม่มีกินไม่มีใช้ต้องขอทานเขาก็ยิ้ม พวกที่นี่ไม่มีความจําเป็นต้องขอเพราะว่าถ้าบุคคลใดเขาเห็นว่าคนกลุ่มใดหรือบุ้คนใดก็ตามใครเสมอคนใดมีความขัดข้องในความเป็นอยู่โดยเฉพาะการเงินก็ดีเสื้อผ้าก็ตามอาหารการบริโภคก็ตามเขาก็ช่วยใครส่งเคขาตัวเขาบอกว่าเขาเกิดมาแปดพันปีเขาโลจมโพยังไม่เคยเห็นใครต้องส่งเขากัเนเวยแบกอย่างนี้ที่มีความขัดสนจริงๆ ดูจะเพียงว่าเรามีอย่างนี้เขาไม่มีอย่างโน้นเรามีมากชิ้นแบปแบ่งให้เขาเขาไม่อย่างหนึ่งที่เราไม่มีเขาแบ่งให้เรามีแค่นี้คำว่ายากจนจริงๆไม่มีเราทำมาถึงอาชีพาอาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรในประเทศที่เป็นจากมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพของป่าไม้เของของในป่า เนสิ่งประดิษฐ์ก็มีมากโรงงานก็มีเยอะก็ไม่เหนื่อยต่างคนต่างก็ทํากันการใช้จ่ายที่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่าที่นี่กินผักเป็นพื้นฐานแล้วกินผักเป็นพื้นฐานแล้วก็ปลูกผักกันพวกเรามีอย่างนี้เขามีอย่างน้นถ้าใครไม่มีอย่างไห น, นก็แลกกันใครต้องการอย่างไห น, นก็ขอกันได้ที่นี่ก็ไม่มีการหวงกันเือก็บอกว่า โลกนี้พระเตมบบอกว่าเป็นโลกมนุษย์อันนี้พอเขาพูดอย่างนี้ก็หนักใจเหมือนกันที่เคยศึกษาในพรธศาสนามาในธรรมะท่านมีท่านบอกว่าให้ปฏิบัติมในมนุษยธรรมถ้าปฏิบัติในมนุษยธรรมได้ท่าน ก, ก็สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็จะมีความสงสายว่าคนทุกคนในโลกสมโภโพ ต่างคนต่างก็เรียกตนเองว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าจึงจะมาสอนนรสีธรรมอีกการให้เกิดในเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมาตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็ต้องเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นสถานที่เดิมเขาต้องี้เคยอยู่แต่นี่เป็นคําสอนของสมเด็จพระบรมครูซึ่งคนอื่นคนพูดไม่ทราบแต่คนพูดเองมีความโง่ถนัด มีความเข้าใจว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกจำโพนี่เป็นมนุษย์กั้นมาเจอมนุษย์ในชินาโลกหรือว่าดาวหลุมดำด า, ด, าดาวถุงดำในเขาจึงมีความเข้าใจจริงๆว่าเขาเป็นมนุษย์แน่ชาวโลกชมโพนี่การความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงไม่ทราบถ้าพลาดไปจะขาออภัยด้วยตามความรู้สึกเขาพูดจริงๆถือว่าที่โลกมนุษย์หามนุษย์ได้ยาก ที่เราจมพูนี่นะหาคนที่เป็นมนุษย์ติดสารจะยากไม่ใช่ไม่มีปริมาณที่มีก็มีน้อยแต่ว่าถ้าอยาเป็นคนที่จริงเป็นคนมากในเราจำโพเรามีคนมากกว่ามนุษย์โดยการพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะร้อนได้โกรธถามว่ามนุษย์กับคนมันต่างกันตรงไหน ก็เขาตอบว่านอาการสานสิบสองจริงๆไม่ต่างกันมีค่าเื่อเหมือนกันมีการสามสิบสองเหมือนกันแต่ความรู้สึกของจิตใจไม่เหมือนกันสําหรับมนมุษย์ท่านแปลว่าใจสูงคำว่าใจสูงก็คือมีอารมณ์ไม่ต่ำอารมณ์ประเภทใดก็าตามที่นํามาซึ่งความเดือดร้อนมนมุษย์เขาไม่ใช้กันซึ่งความโกรธการแสดงการความโกรธเป็นศัตรูกันเขาไม่มีเขามีแตเมตตาความรัก กรุณาความสงสารมนุษย์เขามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตามนจิตอ่อนโยนไม่สาริษยาต่กันใครได้ดีก็คอใจดีด้วยโอเบขาถ้าอะไรก็ตามเกิดความข้อขัดข้องสมาไม่สามารถจะแก้ไขได้ระวางเฉยไม่ดินดน้นรนคือไม่กลุ้มไม่กระวนกระวายแน่ น, นอกนจากนั้นขึ้นชื่อว่าชีวจะเลือกเนื้อร่างกายทุกคนรักก็ไม่มีใครทงร้ายร่างกายกัน ทัพย์สมบัติต่างๆเรารักเขาก็รักก็ไม่มีใครเยอะแยะทัพย์ย ส, บสมบัติกันคนรักของเราเราก็รักของเขารักไม่มีใครละเมิดความรักกันเมื่อวาจาก็มีวาจาจริงวาจาอ่อนหวานแล้วก็วาจาแสดงความเป็นมิตรวาจามีหลักใีเจณฑ์มีเหตุมีผลเขามีวาจาสีมนต์ด้านจิตใจไม่ยหญ่ทรัพย์ ส, บสมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้เราไม่เอา แล้วก็ไม่ขอให้ทําทําให้ใครสะเทือนใจและคิดจองล้างจองผลาญโกรธอาจจะมีบ้างอารมณ์ไม่มีไม่พอใ จ, อจจะมีบ้างจะไม่แสดงออกแล้วไม่จองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมกันอารมณ์ใจคิดถูกตามความเป็นจริงด้วยเหตุผลเสมออ้ น, นี้ลักษณะของมนุษย์ครัเป็นอย่างนี้สําหรับคนในโลกสุภูของเรา <c oughs> ไม่ต้องเอากำหนดสิบเอาแค่สินห้าอาจจะนักตัวได้ว่าใครทรงสินห้าบริสัท บ, บ้างอย่าลืมบัตรชีวินโลกหรือดาวหลุมดําเขาต้องฝึกกำหนดสิบและพมีอาสี่ตั้งมาตั้งแต่เกิดขนาดที่อยู่ในท้องแม่ถ้าลูกสามารถจะได้เสียงแม่ได้จะได้ยินเสียงแม่พูดเรื่องพมีอาสีก่กำหนดสิบเขาจะยิน ว่าชาวบ้านนี้คุยกันคุยแค่ได้ยินก็สามารถจะยินได้นะดวงความว่าตั้งจะอยู่ในท้องก็อยู่ท้องก็คนมีกบหนดสิทธิ์แล้วว่าพอมีฐานสี่ออกมาแล้วก็อยู่ในวแวดวงฮว้คงคนมีพอมญฐานสี่ที่กำหนดสิทธิ์ร่างกายการที่จะส่งอารมณ์ตามนี้ไปเกี่ยงเป็นของไม่ยากเข า, ข า, าก็ชินมาตลอดลืมตายเห็นก็เป็นว่าโลกชมโพพวกเราเป็นโลกของคนคําว่าคนนี้แปลว่ายุง บางบ่ยสมรสัยเขาต้องทั้งทั้งความชั่วและความดีความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏเขาเรียกว่าผลเอาแน่นอนไม่ได้เดียก็ดีบ้างเี๋ยก็ชั่วบ้างเช้าดีบ่ายชั่วหรือเช้าชั่วบ่ายดีอะไรก็กามใจกลาวันดีก็คืนชั่วคืนดีก็วันชั่วมันก็อาจจะมีความชั่วขึ้นมาปรากฏก็โลกความแล้วว่าโลกของเราไม่ใช่มนุษย์แน่ ที่เป็น ม, น, ม, มนุษย์ก็จรงแหละแต่ว่าจะมีคนอยู่มากของเขามนุษย์แทนมีมนุษย์มนุษยเสียทําคือกรรมหมดสิบแล้วก็มีหารสี่เมื่อคุยกันมาตอนนี้คนฟังราคาญหรือยังเรื่องมันก็หมดแล้วนี่รำคาญไม่รใคาญก็ไปต่อไปต่อได้ไ ป, ไปก็ชวนกันขึ้นบกไปเมืองที่ถนนตรงไปมันมีถนนแยกไปหลายสายในมาหาสมุทรใต้มาหาสมุทรก็บอกว่าไปไอจุดที่ตรงไป ตั้งหน้ายืนจากเมืองท่าอี่ราผ่านมาแล้วยืนหันหน้าตรงไปทางไหนไปท่านั้นเขาก็นําตรงไปไปขึ้นเมืองท่าเขาอีกฟังเลยไปนานเวลานี่ต้นใช้เวลาเกือบชอั่วโมงเมื่อที่เวลาเกือบชอั่วโมงก็ไปถึงเป็นทางราดขึ้นทางลาดขึ้ น, นสังเกตไ ด, ด้ยากเขาทําดีจริงๆไม่ใช่วิ่งถนนชั้นตั้งไปไปจนเราสักเกตรู้ไม่ใช่อย่างนั้น ขึ้นเาทเีนยน้อยเนินน้อยลดตัวเองไปตามเรื่องาำรับโพบ ป, ปุ๊บถึงถ้งผืนทั้นดินแล้วไปที่นเมืองท่าของเขาใหญ่มากใหญ่สะพานลนเยอะบริเวณกว้างใหญ่ไปสารบ้านช่องเยอะบุคคลก็มากบริเวณก็ไกลอาคารสูงสูงก็มีเยอะมีกิดรำแล้วมียอดลาแหลงก็มีมาก ถ้าเคุยกันไปก็ซ้ําแบบเดิมเขาถามว่าาถามเขาบกว่าประเพณีนิยมแล้วหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของคนเมืองค่านี้กับเมืองหน้าผ้านวนเหมือนกันไหมก็อบอกว่าเหมือนกันถามว่าเงินตราที่ท่านใช้ใช้เงินตราต้องไปแลกที่ไหนเขาก็ยิ้มเขาถามว่าทําไมต้องแรกก็อบอกโลกเจมพูจะต้องแลกเงินตราที่ใช้มียนนมีรูปร่างหนาตาไม่เหมือนกัน มีค่าไม่เท่ากันอย่างเงินไทยยี่สิบห้าบาทก็เป็นเงินอเมริกันเข้าวหนึ่งบาทราคาไม่เท่ากันตามนี้แล้วธนบัตรหรือแบงก์ที่ใช้ก็ลักษณะไม่เหมือนกันแต่และประเทศต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างทําต่างคนต่างมีความพอใจก็บอกว่าโลกชิดนั้นโลกหรือว่าโลกเหมนดาวหลุมดํำนี่ ท่นจะไปที่ไหนก็ตามพกเงินไปอย่างเดียวใช้ได้หมดทั้งโลกแล้วไม่ใช่ไม่สบายจริงก็ไม่ทราบมันเป็นโลกสบายจริงจริงก็ควรจะตอบมาได้แต่มัม้งว่าที่บอกสบายจริงมีการข้องตัวตัวอย่างเพราะมันเป็นโลกนิพพานโลกจริงๆถ้ามีอย่างนี้ว่าก็คล้ายๆกับเทวดาแต่โลกนี้จะถือว่าเหมือนเทวดาไม่ได้เพราะยังมีแก่ ยัมีตายยังมีผัวมีเมียผัวเมียก็มีไม่เหมือนเทวดาเขาเทวดาเขานางฟ้าเขาเมียไว้ดูเล่นแต่พวกเราต้องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบเป็นการแต่งงานแต่งงานแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนก็ต้องทําตามนั้นเหมือนเหมือนกันทุกคนเป็นระเบียบของโลกของโลกนี้และอย่างหนึ่งก็โลกชื่อนั้นโลกคือโลกดาวหลุมดำก็ดีโลกชมพูก็ดีก็ปฏิบัติเหมือนกัน การแต่งงานมีสามีภรรยาเขาจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องมีความรักก็มีความซื่อสัตย์เช่นไรกันแต่ความรักจริงๆความซื่อสัตย์จริงๆของเขามีแน่ก็เลืมถามมานี่ไปนึกไปนึกมาก็เห็นคนก็เดินก็เดินมามีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสาบ้างผู้หญิงสีบ้างผู้หญิงหนึ่งบ้างก็แปลกใจว่าลักษณะการเดินแบบนี้มาเป็นระเบียบของชาวเมืองนี้หรือ ก็ถามเว่าคนเมืองนี้รักษากรรมบุตสิทใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วก็ถามว่าการแต่งงานจะต้องมีพัญญาสามีคู่หนึ่งคือคนพัญญาคนสามีคนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วถามวมา่าคนที่เขเดินไปเมื่อกี้ในโขาหลีกเไปแล้วพนาธาทางค่ายๆเข้าไปสามีพัญญากันทั้งหมดนี้ผู้หญิงสี่ผู้ชายหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสามีพัญญากันจริง ก็ถามไม่รู้เมื่อกี้นี้คุณบอกสามีคนและพันยาคนใช่ไหมคนตอบว่าใช่แต่คนนี้คณะนี้เขาม่พันยาเจ้าสี่สามีหนึ่งคุณไม่กล่าวผิดจะีวกับความจริงเลยเขาเลยบอกว่าท่านถามถามในขณะที่แต่งงานกันนี้เวลาที่เขแต่งงาน จ, จริงเวลาแต่งงานโดยเฉพาะก็มีสามีหนึ่งมีพันยาหนึ่งผู้าชายเป็นสามีผู้หญิงเป็นพันยา การแต่งงานที่นี่ก็มีหลายวาระได้นี่ไงไอ้โลกนี้มันน่าอยู่ตรงนี้นะข้ถามว่าก้ถาว่าถามว่ากฎหมายก็คนไม่บังคับหรือเพราะกฎหมายก็บังคับต็คืว่าห้ามเยี่ยงสามีและพันยาของคนอื่นก็เลยถามว่าถ้าบูตชายจะมีพรนยาหลายคนก็แสดงว่ายิ่งเอ่นมาแย่งพันยาคนนี้ใช่ไหมเขาตอบว่าใช่เขาตอบว่านั่นพันยาเดิมเขาอนุญาต ก็ถือว่าคนมาใหม่นี่เป็นน้องนี่ยังมีน้องเลยนะคนมาใหม่ที่เป็นน้องคนที่มาใหม่ต้องมีข่าวความเครบคนก่อนเหมือนพี่มีความรครบกันเหมือนพี่เับ น, น้องและก่อนที่จะแต่งงานกันถ้าสามีไปชอบหญิงคนใดนึกชอบยังไม่แต่อังแล้วก็หญิงคนนั้นเกิเกิดความรักเกิดชอบในในในชายคนนี้เขา้าที่มีปัญญาแล้ว ถ้าสามีไปชวนบอกว่าแต่งงานกับฉันไหมผู้หญิงคนนั้นกบอกพร้อมที่จะแต่งถ้าพัญญาของคุณของคุณอนุญาตเขาก็ต้องพามหาพัญญาพัญญาว่าซักใช้ได้ถามด้วยความจริงว่าเขารักกันจริงก็อนุญาตอนุญาตให้แต่งงานกันได้แต่ไม่ใช่เลิกกับเธอเธอก็ยังมีพัญยาหลวงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามันได้รู้จักขึ้นมา ไ, มได้เธอต้องเป็นหนึ่ง มายกว่าการนับหนึ่งนัคือเธอถึงเธอก่อนซื้อก็เตียงมาสองชามชามที่หนึ่งเป็นของเธอชามที่สองเป็นคนของปัญญาคนต่อไปแล้ชามที่สี่ที่ห้าก็เป็นของปัญญาคนต่อไปเอะไรก็ตามขึ้นต้นเธอหนึ่งอยู่เสมออย่างนี้อย่างนี้โตเขาบอกว่าไม่มีการทะเลาะกันที่ได้ทำมาทะเลาะบอกแหวงการใส่ข้องกเรื่องนี้ไม่มีความจริงนโลกนี้มันก็น่าอยู่ ถามว่าถ้าอย่างนั้นคนอยากจะมาเกิดโลกนี้อีกไหมเขาตอบ ว, ว่าบางกล้ามเกินบางเวลาก็อยากมาเกิดแต่ส่วนใหญ่เขาไม่าอยากมาเกิดแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเกิดในโลกนี้ให้ทุกคนปฏิบัติในกรรมวัตถุกัเป็นหลานเสียงเขานถ้าหากทั้งสองรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็งจะไม่มีโอกาสมาเกิดโลกนี้ พระกถาได้บอกว่าแตงั้นพระท า, า, านแนะนำก็บอกว่าอย่งไรบ้างต่อไปก็บอกว่าถ้าบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปอบายภูมิแต่คนที่บกพร่องในกาบวชศึกก็ดีในพรมิหารสีก็ดีพร่องมีบ้างไม่ใช่ไม่มีถ้าจะเกิดในรูปร่างลักษณะอย่นี้ใหม่ต้องไปเกิดในโลกชมพูไม่ฟังแล้วก็ช้ำใจนี่เขาเรยกด่าฟูดฟูดแรลว่เปล่าก็ไม่ทราบแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนโลกชมพู ก็แปลว่าต้องยอมแล้วกับเขาในเมื่อเห็นเวลามันกล้จะหมดเวลาหมอทำพันใกล้จะเสร็จเขากรอแล้วก็อีกเจาะแล้วเพจออัอนองออกอน้องแล้วก็โดดน้องบางขุดน้องบ้างนี่หมอมาเป็นเวลาเป็นเวลาที่หมอเตือนใจทําแต่งานนี้หมอจำนวนที่อยู่ทีทเทพบอกว่าอยากจะทําให้แต่ว่าคือมีนอู่ไกลอยู่ทั้งเทปแต่คนเตือนใจนี่หมอจำนวนไม่อยู่ที่มันอยู่ที่นครสวรรค์ใกล้หน่อย เมื่อผู้ที่หมอจำนนเวลารือยประมาณทั้งสองนาทีก็เขาบอกข่าวว่าวันนี้คือวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพนหารอยสามสิบสามหมอจำนนโทรศัพท์มาถึงครนนทาอมันตวงที่วัดท่าทรงโอไทยธานีเธอบอกข่าวดีว่าเธอฝันไปว่าต่อไปเดิมหน้าคนที่เขามีโอกาสในสตางมากๆจะเอาเงินมาแจก สมมติว่าเมื่อสี่ปีไปแล้วใครลงทนไปถึงบาทเขาจะแจกให้หกสลึงแต่เพราะคนที่อยู่ในทะเบียนที่หนึ่งเวลาคนอยู่ในทะเบียนที่สองไม่แน่อาจจะจ่ายอาจจะแจกให้มากกว่านั้นแการที่หมอจำนวนเธอฝันเนี่ไม่ทราบว่าฝันจะตรงกับความจริงหรือไม่แต่ถึงอะไรก็ดีคําฝันของหมอจำนวนนี้ทําให้คนยิ้มแป้นหัวปากไปลงไปตามๆกันอารมันดาท่านพุทธ ร, ริษัทนตุ๊กต่้ง ถึงตอนนี้ก็ขอโมเมลกลับด้านกันสักทีเวลานี้กลจะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาเันพุทธศาสนินกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี